มีใครไม่เคยมาไหมยกมือให้ดูหน่อยอมีเยอะเหมือนกันคนที่ไม่เคยมานะมีคนไหนไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือของหลวงพ่อมีไหมมีหนึ่งคนโอ้หาสองสามสี่เออขั้ชั่วหน่อยนัออ้นว้าวเวเกินไม่มีคนเดียวคือเรามาเรียนกรรมฐานนะมาเรียนสักพักหนึ่งก็เห็นผล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 ไปคัดเด็กมาพันคนแต่และโรงเรียนไปเลือกมาเลือกมาแล้เด็กเขาก็เขียนรายงานนะเขียนเหมือนกันหมดเลยว่าตอนถูกคัดตัวมานี่นะโมโหโกรธมากเลยคิดว่าจะถูกจับไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมต้องไปอดข้าวเย็นทรมานอะไรเงี้ยพอไปหัดเจริญสติหลายคนนะมีความเปลี่ยนแปลงคงไม่ทุกคนหรอก เป็นไปไม่ได้ว่าคนเรียนกรรมฐานร้อยคนแล้วได้ผลร้อยค น, นมันแล้วแต่ความสนใจมันไม่เหมือนกรณีอย่างพวกเรานะพวกเรามาเรียนเนี่ยพวกผู้ใหญ่หน่อยตั้งใจเต็มใจมาเรียนถ้าเต็มใจมาเรียนแล้วไม่ดื้อ น, นะไม่ติดเพ่งไม่คิดมาก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 ออสอนอาจารย์หลวงพ่ก็บ่า ง, งั้นเงี้ยะแต่สอนเด็กนะน่าดูจริงจริงเด็กมันตื่นขึ้นมาได้มากมายเลยเด็กบางคนมันเป็นโรคเครียดนะเป็นโรคชักอะไรเงี้ยอาหารเจริญสติแล้วมันไม่เครียดมันก็ไม่ชักเด็กบางคนมันติดยาเสพติดเขามันเห็นใจที่อยากจะกินยาอะไระมันเห็นค่อยๆทนท น, นนามันหนีได้พ้นได้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 จริงๆสอนใครไม่ค่อยเป็นตั้งนั้นแหละงานหลักจริงๆสอนตัวเอง <c oughs> แต่เดิมนี่ไปพลาดคลั่งตรงเมื่อปีสองเจ็ดน่ะวันหนึ่งหลวงพ่อพทดท่านสั่งบอกคุณไปเขียนประสบการณ์ของคุณไปประสบการณ์การปฏิบัติของคุณน่ามันน่าสนใจอไรงเงี้ยหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อพูดยาก เราก็ไปโอ้ท่านสั่งให้ไปเขียนเผยแพร่เราไม่รูจะไปเผแพร่ที่ไหนนะเอาละ ว, ว่าเห็นมันมีหนังสืออยู่เล่มนั้นหนังสือโลกทิพย์อะไรเงี้ยเขามีคอลัมน์ประสบการณ์การปฏิบัติเขียนไปหลงนะเขียนไปแล้วก็กลัวเขาติดต่อกลับมานะบอกค่าเขียนค่าเขินน่ ย, นน ย, ยกให้หมดเลยจะไปทําอะไรก็ตามใจนะไม่เอาหรอกค่าเขียนเนี่ยตั้งแต่เผยแพร่มาเนี่ยไม่เคยเก็บตังค์สักบาทเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยตนะัแต่ยังเป็นชรวา่ เสร็จแล้วก็เริ่มคุยกับคนใกล้ใกล้ๆ้ตัวเพื่อนเพื่อนภาวนาแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงวงมันค่อยๆโตขึ้นไปหา ok <c oughs> ครูบาอาจารย์นะนั่งรถตู้กันไปทีแรกนั่งรถตู้นะเข้าวัดท่านมองปั๊บเลยอุทานเลยมันไปรวมมาได้ยังไงวะ <c oughs> <c oughs> ที่อื่นเขาก็ตื่นสักคนหนึ่งยังไม่ค่อยจะตื่นเลยนี่ตื่นมาได้สิบคนอะไรอยงี้ท่รู้สึกทึ่งแล วงมันค่อยขยายขยายแต่มาย้ายงานนะไปอยู่องค์การโทรศัพท์งานสบายขึ้นไม่เครียดเหมือนอยู่สํานักนายกงานเครียดมีเวลาเหลือนะไปนั่งดูอินเทอร์เนต็ตนะดูก็ไม่ค่อยจะเป็นหรอกแม่ชีเขาสอนให้นะดูดูแล้วนะพี่ เ, เขาคุยธรรมะกันนะคุยกับเขาบ้างตอนหลังมาบวชนะคนไม่รู้จักเยอะแล้วเราไม่ได้คิดจะบวชนะทีแรกอะ เราคุยเต็มที่เลยไหมสบายใจรู้อะไรก็เล่าเลไปเลยาพอจะบวชเนี่ยคนรู้จักเราเยอะขึนไปแล้วลําบากแล้วแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อทำมีสองอย่างเองคือสอนเทศเทศตอนเช้าเช้าเทศมานานานจนเหนื่อยนะรู้สึกเทศเหมือนกันทุกวันเลยเบื่อเบื่อนะเราไปเขียนหนังสือดีกว่าที่แกเขียนหนังสือให้ไปอ่านเองจะได้ไม่ต้องมาหาเรา เนี่ยดูสิโง่ซ้าซ้อนพลาดตั้งแต่พูดแล้วนะพูดธรรมะมาพอเขาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้แล้วเขามากันใหญ่อุ้มลูกจุงหลานมาก็มีเรากะจะทุ่นแรงเลยเขียนหนังสื อ, อคราวนี้สบายแล้วนะเขียนหนังสือไปคนก็ยิ่งเยอะกว่าเขาดีนโยมาขอทำซีดีนะทีแรกก็ทำแจกกันเองนะแจกกันในกลุ่มของเขาเล็กๆแล้วเขาก็แตมไม่ได้นะ ห้ามเผยแพร่ a อ d ดี LCD ห้ามเผยแพร่รอดนี่นะั่ไปทั่วประเทศในเวลาอันสั้นมากกว่า ACD ดีเปิดเผยยุคนี้อีกนะสีเรื่องใต้ดินจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรก็เรื่องเทศเหมือนที่เทศอย่างนี้แหละไม่ลึกเท่าตอนนี้ด้วยนะตอนนั้นเราหัดภาวนาความรู้เรายังไม่เยอะเท่าไหร่หนังสือออกไปซีดีออกไปเลยนาความทุกข์มาให้มากมาย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 เราไม่ได้ไปสั่งให้ทำนะบางทีก็มาทำวิดีโอนะวิดีโอก็ไม่ใช่ของวัดนะไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกเมื่อสักเดือนก่อนก็มีคนมาขอถ่ายวีดีโอนะขอเขาอนุ ญ, ญาตหลวงพ่อบอกขอเวลาแค่6นาทีจะถ่ายตอนเด็กคนหนึ่งนะชื่อน้องไม้จะถามปัญหาเราก็มาขอถ่ายเราเดี๋ยวลกลัวเด็กเราเสีย เดี๋ยวเด็กจะไปหลงระเริงเป็นนางแบบเข้ากล้องแล้วเคยตัวเลยนะไปถามพ่อเ้าก่อนนะว่าพ่อเขาว่าไงพ่อเขาบอกลูกเขาอยากลองอะไรเด็กมันอยากมีประสบการณ์ให้มันลองดูถ้าเราให้โอกาสเด็กลองทดลองนะแล้วเราคอยไกด์ใหนะ้เด็กจะได้ไม่เสียคิดอย่างนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กใฝฝันวันหนึ่งจะไปเป็นนางแบบขึ้นมาเราเสียเด็ก ไม่ใช่นางแบบไม่ดีนะหลงพ่อห่วงว่าเด็กจะไม่ภาวนาเนี่ยมันจะไปหลงแสงสีซะให้ลองดูแล้วค่อยไกลไม่ไม่ให้ไปหลงนะให้รักษาความเป็นตัวของตัวเองนะอย่าไปเป็นดารานะสารสอ น, สอนเด็กครั้งเดียวเด็กบอกเข็ดแล้วไม่เอาละไม่เห็นจะมีความสุขเลยขาดสติทําให้เครียดไม่ดีอันนี้ค่อยประสบความสําเร็จหน่อย ดูพวกเรานอะดูก็พยายามอบอุ้มที่สุดเลยนะดูอะไรจะดีที่สุดสําหรับเราดีก็เลยเดือดร้อนนลเดี๋ยวคนอื่นจะมาขอถ่ายบ้างเลยไม่เอาแล้ะเข็ดล้ะไม่เอาไม่ใช่ซีดีของวัดด้วยนะไม่ใช่โปรเจกต์หลวงพ่อด้วยอ่ะต่อไปศึกษาธรรมะเด็กมันยังเรียนได้เลย ผู้ใหญ่ป่านนี้เรียนไม่ได้ก็อายเด็กแหละแต่ถ้าพูดแบบลิเกต้องป้องปากนะเด็กมันเรียนง่ายกว่าผู้ใหญ่ <c oughs> <c oughs> ผู้ใหญ่เรียนยากกว่าเด็กผู้ใหญ่คิดมากนะยิ่งประสบการณ์มากๆนะยิ่งดื้อจิตมันดื้อนะว่ายากสอนยากยิ่งอายุเยอะๆขึ้นไปนะโดยธรรมชาติเลยคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเนี้ยยิ่งมั่นใจในตัวเองสูงนี้เซลล์จัดอเงี้ย ว่ายากสอนยากแก้ไขา ย, ยากเรียนอะไรใหม่ๆยากเพระฉนั้นถ้าเรามาเรียนธรรมะด้วยหัวใจใสๆซื่อๆมาด้วยความใฝ่รู้แบบเด็กๆนะ <c oughs> ที่นี่เขามีอะไรกันนะมาลองฟังดูลืมความรู้เก่าๆเสือ <c oughs> มาลองฟังที่หลวงพ่อประโมทพูดให้ฟังดูสิ <c oughs> ทําไมคนอื่นเขาว่าดีเขาเปลี่ยนแปลง เ, เขามีความสุขเขารู้เนื้อรู้ตัวเ้าตื่นมันเป็นยังไง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 นี่ตากขวางแขวัแด้วยเรารู้ตัวน่ากลัวมากเลยนี่ <c oughs> หน้าตาดุมากเลยโอ้โอคนรู้ตัวคนไหนบอกได้ก็บอกนะคนไหนบอกไม่ได้แล้วไปก็ไม่กล้าไปแต่ต้องนี่พอพูดมานานๆนะพวกเราค่อยๆหัดรู้สึกหัดรู้ทันจิตใจตัวเองใชมันตื่นขึ้นมาถ้าเมื่อไรเรารู้ทันนะว่าจิตเราลงไปจิตมันจะตื่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาไม่ยากอะไรหรอก คนเราหลงไปคิดทั้งวันเลยรู้สึกไหมเราคิดทั้งวันมีใครไม่คิดทั้งวันมั่งไหมมีไหมขอยนโฉมหน่อยมีแม่จิรัตยกมืออ๋อจับแว่นตา <c oughs> นื่ว่าแม่จิรัตรไม่คิดเลยวันวันนึงคนทั่วไปมันก็คิดทั้งวันนะ <c oughs> เวลาคิดนะก็ไปรู้เรื่องที่คิดแต่บางทีใจลอยมากๆนะคิดอะไรก็ไม่รู้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 ความฝันตอนที่เราตื่นอยู่เราเรียกว่าความคิดจิตมันขึ้นมาทำงานในลักษณะเดียวกันเนื่อนใจของคนทั้งโลกนะั้นมันฝันตลอดเวลามคิดตลอดเวลาร่างกายตื่นนะแต่ใจนี่ฝันตลอดเวลาเพราะฉนั้นใจไม่ตื่นในโลกไม่มีคนตื่นนะยากเหลือเกินที่คนจะตื่นขึ้นมาอาศัยได้ฟังธรรมะนะแล้วก็ค่อยๆหัดสังเกตสังเกตอะไรง่ายที่สุดเลยที่จะตื่นได้เร็วที่สุดนะ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 เป็นไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจถ้าลืมกายลืมใจใชกระทั่งกายกับใจก็ไม่เห็นจะไปเห็นไตรลักษณ์ที่แสดงอยู่ในกายในใจยังไงได้เหมือนเราจะไปดูคอนเสิร์ตนะเราหาเวทีคอนเสิร์ตไม่เจอวิ่งดูที่ไหนอนะเราจะดูไตรลักษณ์ของกายของใจนะเราก็ต้องดูที่กายที่ใจ ถ้าเราใจลอยไปเราฝันไปเราคิดไปเราลืมกายลืมใจไปเราก็ไม่มีวันที่จะเห็นใจรักของกายของใจเลยเหมือนอยากไปชุมนุมสมมติว่าจะไปชุมนุมหน้าทำเนียบอะไรเงี้ยหรือชุมนุมที่มักขวานสมมติเดี๋ยวนี้เขาชุมนุมที่ไหนไม่รู้ละไม่เคยตามข่าวเราพาไปอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวไม่เห็นการชุมนุมสักที แล้วเราอยากเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราก็ต้องรู้กายรู้ใจวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจวิปัสสนาไม่ใช่แค่เห็นกายเห็นใจนั้นรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าใจลอยไปเราก็ลืมกายลืมใจรู้แต่เรื่องที่คิดล้คิดคิดไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช้ไม่ได้เมื่อไหร่เรารู้ทันวนะ่าจิตลงไปคิดเราก็จะตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้กายรู้ใจได้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 ตายไปว่ากูเก่งขึ้นมาเองเพราะั้นการที่เราคอยไปเพ่งเพ่งเพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่ใจนะไม่เกิดปัญญาเห็นความจริงคือไม่เห็นใจรักษณ์ของกายของใจแต่กายจะนิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงใจรักณให้ดูทํำวิปัสสนาไม่ได้เพราะนั้นคนเราทํำวิปัสสนาไม่ได้ด้วยสองงานอันหนึ่งลืมกายลืมใจไปเลยนะเหมือนจะดูคอนเสิร์ตแต่มัวไปอยู่ที่อื่นนะไม่เห็นเวทีมัน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 จิตสงบจิตรวมจิตทรงฌานทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่จิตมีสติทั้งสิ้นเลยไอ้จิตที่นั่งแล้วก็เคลิมขาดสตินั้นไม่ได้จิตทรงฌานนะจิตที่ทรงฌานเป็นจิตที่เป็นกุศลเพรา ะ, ะนั้นไม่ขาดสติขาดสติเมื่อไหร่เป็นอกุศลเมื่อ น, นั้นเพรา ะ, ะนั้นเวลาเราภาวนานะจิตจะทรงถึงฌานหรือไม่ถึงฌานก็อย่าไปขาดสติหายใจไปรู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกตัวเห็นร่างกายนี้หายใจไป เห็นจิตใจเป็นคนดูร่างกายที่กําลังหายใจอยู่นะเนี่ยหัดไปเรื่อยๆการที่เราคอนเซนเทรตสนใจอยู่ที่กายอย่างเดียวเนี่ยนะเห็นกายมันหายใจไยใจเราเป็นคนดูไม่ไปดูอันอื่นนะดูอยู่ในอารมณ์มันเดียวเนี่ยจิตก็ไม่ฟุ้งไปเชี่ยอารมณ์อื่นจิตก็สงบลงมารู้เนือ้อรู้ตัวอยู่เวลาจิตรวมลงไปรู้ลมหายใจแล้วจิตรวมลงไปนะั้นมันจะรวมนุ่มนวล น, นะรู้ตัวตลอดสายเลยไม่ใช่นั่งๆั่ง <c oughs> ก็อ้อเข้าชานไม่ใช่แล้วนะเข้าชานบ้านชานเดือนแล้วลงไปอยู่ที่พื้นะนั้นต้องรู้ตัวตลอดสายของการปฏิบัติเลยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาบอกสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะสอนขนาดนี้ น, ะนี่หลวงปูดเทศสอนหลวงพูดดูลบอกยาส่งจิตออกนอกจิตออกนอกก็เพราะขาดสตินั่นแหลนะท่านพูดคนละสำนวนแต่เนื้อหามนันอันเดียวกันมมีสติไว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 เชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ